ในไตโลกราตินับคณะจิตของคนเอกนับขนาะจิต ข, ข, ของสัตว์อีกนับขคณะจิตของเทวดามารพุ่มอีกนับเม็ดหินเม็ดทรายเองนับเม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนอีกนับเม็ดดินเม็ดน้ำ <c oughs> เองเงียดเงียดในไตโลกระชาีิ กยังพอคุณพระพุทธธรรมประสงค์ยังมีมิรายก็เนี่ยห่ท่างกลวงกลวง้ายหัท่างสูงสูงร้ายบ่มีันเปียกหัวทั้งแลิกเลิกบ่มีคามอบ่มีวันเปียบคุณพระทธประสงค์โน้มันิมีอยู่ในตะพูทะลุโนมสิบบ่มันสิมีอยู่แตในสลากเห็นว่ามีแต่ในตะพูทะุมีแต่ในสลากเห็นตื่นโพด มันจะี้ออกมาค่ะคือมันมุ่ขเฉพาะสรุแกนข้อควายว่าเป็นแห่ยน้องพดลงมาอยู่ในใจไปไหนก็ตามก็ยังมีปรามาณ่นอยู่ก็ยังมีวันไหววว่างอยู่เหมืนันนว่าคามันพูโกกคุณต้อิจจาว่ามีปวะมาันเรียไปใส้ก็ไม่ได้เจ้าของเปิดนวดว่าใเปนท้องสูงมันก็ไปไม่้านี่เขารียนเก่ยวกับากาคือซขาสอามาหาย ว่าซื้อเอาเดี้ว่าซือเอาเงินมันมาจากใส ม, มาจากคนเราคือพระทํมมามจุลงศ์กองพอรอนทสุอ่อยเดี๋ัวเจอนช้นตักไม่ใส่ยประทานของพรพทธธรระทรวงมดน่หละคนสลัดแหลวคนละเหลีคนนี้เลยเห็นว่ามันม่หมันโ่เทียงนี่พอกินพอใส่พอซอยจะหม่ห่อเลยพอขี้เหร่ยังมีเยแยะจีนยู่ทีละหรือ่าอย่างไรมันฝนไปแล้วจังก็บพเกิลนมา เง่อนบุนกินเสร็จแล้วใช้มาเกิดได้หลอกเอาปากมานําเอาหลังมานําเอาหูมานําเอาจ่ามานำํำผมว่าอาใช้ขี่ไสเงี่ยวเพราะพุพะทธธรรมประสงค์เนื่อยเมื่เนี่ะท้ารีบเดินไปโง่กับไปกับม า, าเลยสมคุณพระองค์เจาตลอดทังพระธรรมประสงค์ ก็ม mind, those, 弟弟ีประมาณพอเงยเออที pues autism, ienne, Godzilla, justice, to to you, ่วเออเชว่าเป็นคนทีเป so ็นญามาเชือแต่ละลึกเข็นไมาที่สายตาของเช่อนาวาเช้าบอกคหาปัญญาญาวเชื่อจะหายากด้วยองจาอีกได้ลึกซึ้งจับก๊อปจับันมันกำหนดว่าเป็่นพเปลี่นมาหันอันนั้นอันนั้นตะคุนลึกป็นญาลึกไปแล้วจาไล่เพียงไล่ สิยนลงมาเป็นอันเดียวก็มมีวันไหวไหวันว่างทขยายออกเขาไม่วันทิขยายมันหลายโผล่ก่างนะจกักทีขยายจะใช้มันในกระติมหมดกลางาจอกหลันี้ถึงก้นเน่าจะท้กะ า, ากดจะฟุ้กคิดปุ้กใหญ่เป็นผู้มีศรัทธาจะใครเป็นผู้มีปัญญาชมประโยชน์ก็จะท้าพร้อมจะแต่ชั้นในทำในเวไนจักบอสรงใัยอันใดกลางจักบอกอาการกยิ้ว่ย คนมาอักตันยูมีคนมีอายุยูนอีกเสียด้วยพระพุทธเจ้ายักขาจราที่ทำเพราะว่าขณะห น, น้าในจมุตตานั่งผลิตนรรนันจำพระนามาเหมาเสียนยักกระบบมะไก่โจรกระบบมะไก่ทั้งร้ายจังสวดพร ะ, ระรผลิตอนั่นเพื่อดล้ถึงคุณกับพระธรรมประสง์ เอ่ยว่าพูดช่างสรลนตาน่ำนั่งถ้ามั่งสังทัณจะพิฆเควพยั่งว่าเรอพยั่งปเปรี้ยไผ่ทั้ที่จะต่างว่าโลกของโซนในเหตุสจตจิเตียนไผ่ที่เกิดสังเหตุก็บว่านีเหตุที่เกิดในแห่งไผ่ก็บอว่านี่เม็ดไผ่จะเป็นเม็เป็นไผ่กันจะได้าตร์กรพกรผลมันเือวิสัยมาเปลืองมาได้ยางโสดมหันจะโสดหรืมหันเเอ็มหันสะไผ่ เส้นสีมยวกรอมาไอ้หน่บมี่เนี่พอปันจบมือคางเดียวแต่มันบกขืนเร่ององมันบดังมีซาพุมมาโลกมันไม่ยากเฮ้หของเจ้าคนละเรื่องสายขุนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์็นบกจืดจางได้พุมมาโลกคนนั้นอ่ะมันสียากสยากได้ทั้งโลกกุตตละไปจากน้อยขันเรียมสัดชาบ่มีถอยหลังมันเป็นโลกุตละไปในตัวคนะ โลกุตตระศัทธาเป็ในตัวเป็นอาจารสัทธาศัทธาเบาเอกแหวกเป็นโลกุตตระศัทธาเมื่อเป็นโลกุตตระศัทธาแล้วเป็นโลกุตตระปัญญาเนี่ยก็เป็นโลกุตตระศีลเป็นโลกุตตระตระสมาธิเนี่ยเป็นโลกุตระสมาธิทีเห็นชอบเป็นสับคุ้มไง รัท ธ, ธ า, าัพนศรัทธารทัพย์แล้ ว, ลาวาพวกเราไต้อบาทม่ทค่อยเกิดเป็นเองควกัวตาวา้อบาทก็เป็นนิลิโอ ต, ตะปะก็เป็นทรัพย์แต่ละคุมละคุมไม่ใช่ละองจอกจ่าคะพอใจนะใน้งการให้ท่า น, านรักษาศีลภาวนาเกิดเ้นไปเองน้ากันหัวนาดีหัวนาดีคืออย่างคือศรัทธาเพื่พอเือนใน พ, นพระพุทธธรรมประสง์ ทรัพยาที่ประกอบกับปัญญาเ น, นียเพราะหัวหน้าดีหัน้า้าไปทั้งตื่หัวกผพาไปทั้าาทงตื้จริงจริงอื่นๆไปนั่งกาลังของจับเมื่คลผูาา้บมีทรัยาสี่ว่าบวชได้ก็จะให้ท่านรักษาศีลภาวนาได้ตรง ม, มี้ทรัาผู้คนผู้บมีปัญญาให้ท่านรักษาศีลภาวนาบ่ได้หรือไผู้เห็น ผลในสัทธาจึงมีความเชื่อได้ผู้เห็นความไร้ผลไร้ประโยชน์ผลไม่มีศรัทธาก็มีสัทธ า, าเมื่ไรเพราะเห็นประโยชน์เนี่สัทธาเมื่อเห็นประโยชน์ในคว้มละอายต่อบาปละอายเ่อไรเห็นเป็นคุ้มเห็นประโยชน์ในการละอายต่อบาปสดูปผัวต่อบาปได้ จะจําค่อยละอายได้จังค่อยแะดงกลัวได้ทิ้งที่พ่างเกิดก็เกิดคืนที่เกิดคืนแล้วจะเลื่อนมากขึ้นบุญคญู้นบุญจะพึ่งจะพื่คุ้นไปคู้นมาร้ายคืนร้ายคืนอันนัน้นได้อันนี้ได้ตื้มึ้นตื้มพิงกันเต็มท่านัน้นได้เต็มจิตเต็มใจควบหลงกับว่ามีอํานาจ ควบโลกก็ไม่มีอํานาจควบโกดก็ไม่มีอํานาจควบหลงก็ไม่มีอํานาจเพราะถือร่างคั้วนก่อนเลกถึงคุณพระพุทธพระช่ำพระสงฆ์มีท่ามีศีลมีพระวนาไม่มีข่าวัดปฏิบัติอยู่แปลว่าเขตหัวมันอยู่สูมือว่าตอนรับมันไหวมันอยูมกมาได้เนื่อกี้ท่านเนี่ยควมหลงนี่เนี่ยขันทาศนด์มาได้เพื่อยู่สะดวกสบายจะเกามันอยกมาได้ กิน่าเสบนอนว่ารับข้อมันก็ห น, นีออกจากคันธะสันาเท่านั้นแหละใรที่สลดัดทอพระ อ, องค์เจ้าเนี่ยอที่เป็นประโยชน์แก้สัท่างร้ายพระ อ, องค์เจ้าสร้างซ้อนไวม้มื่อนไเป็นท่างชิ้หายพระ อ, องค์เจ้าสร้างซ้อนไว้เมือเทาที่ฟังเลยที่ว่าฟังแต่คืนี้ก็เฝ้าเท่า น, นั้น ส่วนเพลนเพลื่อเพลิ่มเทลลงไป ห, หมดแล้วข้าพเจ้า่าได้สงสัยในโลกให้สงสารอันนี้ไม่ได้เป็นหนีผู้ใดถือว่าใส่หนีหมดแล้วสางวารลมีม่่าที่อสงไขแสนมหากรัปใส่หนีตายโรกธาติครบแล้วสอนนั้นข้าพเจ้ายังไั่ได้สอนพิคซุสัมมณี ตอนนี้ข้าไปเจ้าเขายังไม่ได้ท่านสอนอุบาสกอุบาสิกาเที่ยวเทเทวเาอินพุ่มยมยับตลอดที่จึงที่มีวิญญาณข้องสิงที่ค่อยทีรับธรรมเทศนาได้ฝากไปเจ้าว่าได้สอนเป็นค่วมล้วลอบครอกของข้าพเจ้าเป็นค่วงมักนายของข้าพเจ้าเป็นค่วมขี่ขานของข้าพเจ้าเป็นค่วมโมเมตตาของข้าพเจ้า เป็นข้นมอกกัลนาของข้าพรเจ้าพระ อ, องค์เจ้าว่าได้เป็นโทษจากของมิตรสั่นจึงเข่าสูพระนผ้าโดยสวัสดีผ้าไม่มีวันมกฟองจึงว่าได้เป็นห่วงคือว่าเอาซรัพย์ไว้ให้ลูกขา้านแล้วใครจะเอาไปก็ว่าได้หมืดซับของเพลนว่คือซับฝ์ผ้านอกทรับย์า้าน อ, น อ, นอกตีว่ากูได้น้อยมึงได้ลายมันให้ปันหนากระาย กูได้นงามมึงบวได้นงามชับศีลภายนอกก็คือการบวชให้กูร้ายบวชให้กูหน่อยบวได้วาเจ้าออกงามไรก็บวได้วัดเจ้เอาร้ายๆมาเสียมัจจากู้นั้นเจ้าจว่าวนหน้าร้ายๆเจ้าจรักษาศีลห้ายๆเย้าสมิปัญญาราเสียัจจากมูอเพินล่าวเสียนบวชในวาบ๊วยทางอึดไลมาคือหนา ม่วยนำท่าเนี่ยน ะ, ะสมุทรเล็กยังมีบกมิวางเป็นยังขืนยังล่งเป็นคํามซ้อนของพุทธเจ้าก็จะขึ้นในล่องไปสายเือนจงข้องทีโยเจ้าสี่เอาหรือสี่่อเอาเจ้าสีเห็นไม่สีบพ่อเห็นทน่านเจ้าสี่เดียมไซด์หรือสี่่อเดียมไซด์เท่ า, น, าทนั้นเจ้าสีปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเจ้าเจ้าบ่ปฏิบัติข่อยก็ว่าได้มากปล่อยเว่นเส้นเชง คอให้เจ้าแล้วเจ้าว่าเอาเป็นค่วงพิษของเจ้าเป็นค่วมพิษของไตรกชาตข่อยไม่ได้สงสัยว่าคอยไม่ได้ทุ่มเทงตงไมไตรกชาติอันนี้เต็มบมริบูลเมื่อหลักทั้งอัธยาทั้งพยัญนชนะสิ่นเชื่อมเมื่อแล้วมวยวนบกพรอยให้เลาะในเบืองตนใหรเะในถ้ำกลางให้เลาะ ใ, ในสุด้ดไายคิดกนย่านั่งมัดเจีกันย่านั่ง ประโยชนนะสาการระยนั <fun ut> ่งประโยชสานะการระยนั่งสังทรัพยันชนะเกวระปาริบุนั่งบริบุญแล้วทั้งอัธยาทั้งพยันชนะบริสุทธิ์ทั้งพุทธเจริประกาศเสสีประกาศหมดแล้วสมมหังพระวันตังอาวิปุตสียาไม่ามมหังพระขวันตังสีรสานะว่ามิจังในยอมนอบวายโมเนหัวหนังหัววายนว่สื่อมเป็นเห็นคนวากลับเป็นคือบ้าวายนนนี่สื่อบริบุญมแล้ว จะมาหางท้ำมั่งจะมาหงางซังข้างกับบริบูรณ์มั้ยล่ะถ้ำเป็นถ้ำอันบกขีเทศโบลล่งลูกที่ออกมากเข้าออกมาสีเทศกันนี้ในโลกเพอเราเข้ามีกิเลสกิเลสเป็นไง น, นะมีะะถ้ำรอยล่วนเขาพค์เจาะ่ัมีขีเทศด้จะมาหงางซังข้างเหมือนกัน บ, บ, บริบูรณ์มดมีทั้งปศุสัตวันสก์ท่า้ามีอาาข้ามีอลหนัน มีทั้งสาวกสาวิกาอรหันบาลีบุญหมดแล้วมีทั้งสัตวพระองค์เจ้าจึงจี่หาณาทัางท้งชานเต๋เต๋ปรียงที่เ ป, เปารงที่ขนาดในพุทธบริษัทบลอกขันขามเลยบววิต๊บวิจารบวชปมาเลยบริษาสุริสาและท่านพุทธบริษัทพวกมันจะกลั่งประวัติเตี๋ยสีไอพวกมันจัน์เป็นไปโลกเกปฏิปฏิยังซึ่งโลกทั้งสามหรือโลกทั้งหก บร er. ิบูรณมดเตาท่ไม่ีพกผูท oh. ่เจ้าทั้งหลายเดยเกิดขึ้นแน่มาพลอยโกดอันนี้ก็ซาตะโกตโยมาพรอยโกดพุ่นทำความสอนอันเดียวกันบริบุรเต็มเปี่ยมอยู่ทุกยุคยุสมัยมันก็สิบวันบริบูรณ์เต็มเปี่ยมนึงจะผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้ของพวกผู้ที่เจ้าไม่ได้สูญหายไปสได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ตายไปสายได้ เป็นอามาตตาถ้ำอามาตังนี่ยพยายามขจาเป็นถ้ำอันวะตายเป็นถ้ำมันส่งอยู่มีอยู่เป็นถ้ำมันเป็นของเก่าด้วยนัวมาบอกไม่เธอเครื่องไม้ควบจริงๆของเกา่าคนขห็นว่าที่คือกูจะเห็นถ้ำกับมันใจดวงเกา่านัวเห็นแล้วกับมันถ้ำ ม, มันเกา่าไม่ได้ใจดวงไมม่ไดใส่นั่นพระอาทิตกระดวงเก้าน่ะไม่ได้ดวงไมม่ได้ใส่ พระจักนกร 9, ดะดวง 9, วเก้าดาวกระดวงเก้าว่าได้ดวงไม้มาเตใสภูเขสุอนา น, นุสุติสุธรรมไมสุจักุงถ้ามันนี่มีมาแต่ใสแต่พัไนไดวุฒิป่าที่ย่านั่งย่านของเข้ากเดืกเกิดขึ้นแล้ววุฒิปาที่ปัญญาปัญญ า, าเข้าก็เดืกเกิดขึ้นแล้วพุฒิปาที่วิสาวิสาของเข้าก็เดือดเกดแล้ววุฒิปาที่อาโรโกปัญญาของเข้าแก่งสว่างเหมือนไยโขง พจพิเวพิเวพิเว่ตบท้บไดกระอุปาสกโกว่าอุปาสกาว่ามีน้อยสามเน่เราว่าสามเน่รี่ยว่ามีน้อยพิคคุโนว่าอา๋อพิกคุนี่ว่ามีน้อยวันนี้ก็พิคคุโนพิคคุโน่หมดแปลว่าเทพพิคซูนี่เป็นชนั่นที่หนึ่งสออกเกา หั่หันพิสุหล้ายกกมูยังไม่พศยังไม่ตะคิดเขวิดเขวีติดวตลอดถึงพายใโยกพนาพิภูโยกพนาพิภูเรว่าในหนังสืออันกริโมกก็ได้ในพศกับตะคิดเขวี้ยตะิดเขวีตด้ทดยงนั้จะหั่มหันพรอพิชซูร้ายโกมูพอละคาราวาสมาแล้ว แม่นาที่สีเฮ็ดให้เหนื้อเขาวายยังสันส่นแผนเฮ็ดพ่อปอนเขาเขาสีให้เขามเจ้ากินบ่อวายสั่นว่าปุติเจาเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดแปาาเขาก็ได้เพื่อนมองเขาั่ น, นอันนี้ก็ต้องให้มาเนือเขาจังสมทนานนตั ว, วบวชวาสั่นุติเจา เขามีรถเกิจากมีน้ำเขาเขามีเลือกกิดจากมีน้ำเขาเขามีให้กิจากมีน้ำเขาเขามีหน้ากิดจักมีน้ำเขาเขามีม่เกิดจากมีน้ำเขาเขามีหัวมีสวนกิจากมีน้ำเขาอยู่มีอยู่ในวงปัจจัยสี่ที่ว่ามินทบาทเซนาชนะสนิทอยังไข่อยู่สําหรับประพฤติพุ่มมจันทร์ว่านชุกเกิดมีล่ามไปอีกวิทยุทอดรหั์แต็คเข้าไปอีก เาอามาถวายอันหนึ่งวันวิทยุมาแล้วมาปลยมารําพ้องคือิธีโกกโกกย่ติแห้งยามมนได้ยินหอดลมหุ่นเมือนมข้นเหมือนขนสันสูงจ่าตืมจ่าตืมก้นมุกทหารเน่ยไเอาไปเอามีอายุอุดรหุ่นแล้วเป็นพีเป็นปวดปวดปีละกาผมก็มีอย่างสี่ถวายหลวงพ่อคหับผมิถวายเจ ว, ว้าวว่างี้สบายมีเสียงรองข้อใดใส่ไปกินไม่รอก่อนเลยว้าเดียนี่สบายสิแท่งเทเร่ย์แบสองพันเนี่ยตัว่อไปเดื่ยๆตื่นเยาะอนันนั้นส่้เยาะอันนี้ใส่้อ้าอุบายอย่างนาว่าเย็บงานของเราไม่ซักมีข้าวมา ผายนั่นเือนเนพระเวชชันหลอนท่างหน้าท่านหน้าพี่นีพระอินทร์ลงมาขอพระอินทร์เนี่เป็นพระอนุรุตระสมัยนะ่ะสมไมพระองค์เจ้าเป็นพระเวชชันหลอนอันไรนกัท่านมัท่านขอท่านเสี่ยงมัลูกกับท่านแล้วใครมันเอาขอลูกไปนีมันเสียมากขอเมียอีกแล้นี่ยภาพผู้อื่นเห็นจดจุนี่ถึงเย่ยงยางเลยไม่ห่อนหอนพระอินทร์ พอินพระอนุรุทเป็นพระอินาบกของเพื่อนดอกไม้นั่นผู้นั้น ส, ยนยสวยสะอาเป็นพระอินพระองค์เจ้าห้องสวยสาเป็นพระเวชสันยานในหอลงมาเนี่ยเขาที่วงกดเนี่ยอยู่กันีย้ท่านเขา้างตัวอย่างเพ่อนว่าฮับลำหนาเพื่อนเอ า, อาขึ้นมาเพืนฮักจุดตาป่าขาวลงมาผู้ขาขอชนะมาที่ ว่าจังไหนลูกกัท่านไปแล้วยังจะน้ามาที่ให้ขอหน้ามาที่ได้บ้านกีกองทุกต่านอยู่ทีท่หายเพราะโนใจถึงขอพวกนี้กับใจถึงให้กันทันแล้วสั่นอง์อเก่าพอดีสั่นดดนด้ให้ห้แล้วคนก็ได้รับเอาโดยข้ารบพระอนุลุทธะคนใส่ส า, ออาสตเป็นพระอินทร์เหตงสั่นคนยังเขาสร้าน ท่านพระองค์เจ้าพระปัญญาคนเก่งสาติเป็นสุวรรณสามน่ะกัพระอนุรุตธะก็เป็นพระอินเห็มีขี้กันไม่มีใครแพร่ไศณะท่านพระพุทธเจ้าับกับกับกับกับส้วรนะสังขาเนี่ยงาะจักจันทรเนี่ยวเยว่าไปอีกท่านนีอยู่มากอยู่มากพอเพื่อนเอาได้ขอได้ผมะ่านจกหาห้องอาทีน่ยเพื่อนก็เลยว่าจะหนีต่อไป พรับเจ้าเรียมสายรับท่านของโป่ง์เจ้าแล้วระองค์เจ้าของพ่อห้พระเวชชันดอนหายแล้วและนี่ถ้าไปผู้ขายจะขอากราบเจ้าทุ่นถวายอาศุดทธาในผู้ใดเนอผู้ขายที่ถวายขึ้นนั่งมาที่นี่มุสมานะความเชมาขอขอน่อยหรือมาขอกอนาบฉนอกไปสั่นอันนี้ก็คือกันละตัวเปกับเปล่ยนคูอพระเวชชันดอนเท้าที่ถวายขึ้นนะ ทำนมในบุญลายลายวะมัดคนออกเพื่มกระไรตัวก็เร่งยพวกเชืองวแล้วกะสวายเพิ่มคันตัวรับเอาไว้นี่เมื่อไ้พระเนี่ยมันจะเอาไปป้องยังแกงยังหันผู้จะกอหลดมีมัดสอันซเน่ห์มีหอดโทรทวลัดพัดล่มสารพัดพัวเจ้ามันมวลใหญ่ิดสิวะ เขาทีเอาไปลงหนังสือพิมพ์อีกอะนี่ก็ได้เขาเลยคืดเห็นอันนั้นหราเลาเลยเ่บอเอารับไวหวเขาเลยยกมือใช้หัวเขาเลยท่านขึ้นวันได้ถวายขึ้นก็เปลินเพินของพมีควกินเ น, นื้แครงใหญยังพอว่านี่ท่านฟังเลยพระนารายขึ้นรุ่นล น, ล น, ล น, ลนแล้วสีอธิบายว่าบ่มนาที่พระเจ้าพอจงเิมาเลรีย วิทยุเสียงเพ่งเสียงนันมิสันเมื่ออนพระปานเจ้าหน้าฟาพมมาตีเมันก็ อ, าาาอนอถระึกแลยข้นเป็นข้นสันสูงสับนเป็นจ้าผมบวลากี่พระรยา ต, ตัวประสายเ่านั่งอุยง้ยวะนั่งอุ้ยมันเป็นหลานตัวเป็นฝ่ายทางลูกน้องสาวเมย์พอนั่งอุ้ยเนี่มันเป็นลูกน้อง น้าวแม่เล่าอยู่แม่ห่วงเขานั่งอุย้ยนั่งอุ้ยไปบวชเนี่ยหลายปีเนาะสันบวชอาโซการามพงเรงเขาข้นคนไร่ข้คนไรยก็บวชือกานแล้วสันฟาติชาย่านี่มันมันเป็นเอาได้สันไม่ ย, ออยุ่งน้ำใจเลเดี๋ยวนี้ไม่เท่าเลยสันไม่กายใจเลยเดี๋ยวนี้ ก็จริงเว้ยคนตำรวจเกาเสื้อจำตำรวจตืมบ้านนี่ยมุกทหารนี่กับเพื่อนตันนี้แ่ะมาย่ามตีนอ่อนั่นานีก็มาอ่างนี้คขันมันบางมาเลี่ยใครเทียสแถมันน้มันกับว่าน้ำมันถึงข้าวของใครของมันเยคนเฮ้าเลย สร้างสมบูรณ์โยสมืนกิจใจว่าคือเกา่าเลนับมือเสือพระพุทธศาสนาลงไปเด้เพราะปัญฑิตานั่นจระนี่นี่ข้อมืออ่อสยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าครบบรทิตเดยคิดใจคิดใจมันเป็นบัณฑิศเลยเยวปัิตานั่นจะนะครับรบทิตแล้ว มันก็ ฟ, ฟ form, ั่งถ้ำตามการตามเวลาเนี่การเรียนรรมชาติาเนี่ยอันผ้าว่าน้ามู้นี่ก็เรียกว่าฟั่งถ้ำตามการตามเวลาอันแล้วลึกถึงสินที่ตนรักษามันนี่ก็เรียกว่าฟั่งถ้ำการตามการตามเวล่าแล้วลึกถึงขั้นที่ตนในบริจาคแล้วหรือกําลังที่บริจารไปก็เรียกว่าฟั่งถ้ำเหือนกันฟัง่งถ้ำจะฟองนกันตามการตามเวลาน้องจะฟอง เป็นเอตมะมัง่งคารมุตะมัง่งเป็นมงค้นอันอุดมดีของคิดของใจในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือกันเขาหาอันเหมาะสมมัยหลวงปู่เจ้เเอาอันนี้ขึ้นไปแขนในหลวงของหลวงปู่เออเอาเพลงมาใช้มันกับพวกินไม่พลาดกับแต่ปัจใจกับพ่อเรื่งเต่งเต่งเต่งเต่งอ่ะเออเข้าอยู่ น, นํานกน้ำหนูเขาบอกเนี่ยหาเนี่ย น, นกน้ำหนูมาให้ห่อ ประเ ท, ด ท, เทดเาา็ดีแท้ๆพูกเราไฮเนี่ยไถือด้วยโมเมน่านมีห้คนหัวหลังเาถือว่าเป็นของเขาก็ถือเป็นของสงหละ่ะถือเป็นของสงถือเป็นของพระพุทธธรรมะสงเบสอะไหละ่ะม่ใช่เป็นของเขานพวก เงินเดินไปมันกับ่าพีก้นกันกับแถวของไฟของมั่นแถวพระพุทธศาสนากับประตามแถวของพระพุทธศาสนาไปหน่อยเงือ่อนแบบคือมูอปวกแถวไปทั้งพจนโจรพนมั่นเขาก็ไปน้ำเขาเขากะหาเสียงของเขาไปน้ำเขามันกับ่าขาดโลกขันไม่มีอ น, นั่นขัดก็บ่าไรก็ บ, บอกหุจางีจตัวนะ มันก็มีดีมาคัดไม่เสีวมาคัดมันจะคอยจงหูนักปาก่าจงหูจักบนเรือวันหนึ่งอันดีต้องการมื่อไโลกระแทมกมอนสียวมาขัดกันเลวคําคสอนของพุทธเจ้าบวบริบูรณ์ผู้สางงอบเสีวกัตอกมะอะหกอีหลีนี่สิวายัางไงฮะเนี่ผู้เล่นเลกเรียนพระกับกิบหายอีหลีจังเสียีิวายังไงฮะนี่ยมันก็มีแนวคัดอยู่ฮะเนี่ผู้เว้นกับว่ากิบหายผู้ไปหาทางพุทธจิต ได้รับผลทั้งสุดจะอีหลีนี่ที่ว่าจางไหนฮะนันจะมีควมสัวคัดอย่างเห็นทังสั้นข้าสอนพาผู้ติเจ้าจึงมันจังสมบูรณ์น่นอแอละประเทศทปรานป้าต๊มะมาราหกข้าสอนพาผู้ติเจ้ากับสมบูรณ์ขกันแล้วแผนเหี้าสูบว่าคนกับปาเสือขึ้นกันข <c oughs> น, น, นานนมันมีเมด มันนีแต่แก้งว่มีมือดมาคัดมันกับว่าสมบูรณขึ้นก่นล้วแจ้งว่าก็เห็นมือจะเคลื่อมันก็บว่ามีคนมีปัญญาขึ้นก่อนอันนี้จะมือมันก็เห็นแจ้งเห็นเคื่อมันกับว่าเป็นคนมีปัญญาว่างอันเห็นจะได้โมเห็นเสียจะเทลื่อมันกับ่เป็นคนมัมีปัญญาเห็นจะเกิดโมเห็นแกเห็นเจีบยเพื่อนตายมันกับว่ามีปัญญาคนโมโมเห็นเกิดเห็นแกเห็นเจี้ยเพื่นตายจิตเป็นคนมีปัญญามาจากพระตรีไวยวของสามน้อย เห็นไหนเห็นเสียเห็นจีนเห็นฉี่เห็นนางแห็นนอนเห็นกองทุกส่วนตัวยังสิอยากกระเสือกกระสนหากองซุกเงี้ยเห็นเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์ส่นตัวยังสิอยากหาอันบนโมแก่โมเก็บโมตายอะไรบ้างฮะแเห็นจะซุกซะแล้วไนี่ไปหาอย่างในโลกอันมันพ่อชินพ่อใก่พ่อซอยอยู่มันไม่ทุกข์กูนันตี้ก็มันสิบ่าไหวใจได้เ่ราพ่อชินื้มจนได้ มันทุกพ่อเพียงเราพยายงหาเห็นอย่างในด้านคิดใจก็ได้ในด้านภายนอกก็ได้ก็ได้นี่มันโมมีเนี่ยที่เป็นซุกพ่อย้ามันที่อย่างพ่อเทตาก็มันทีตื่นจากหลั บ, บยืนมืออยากนอนรับขวนทนทนทนมือรับสติรับปัง่าคนนี้แ น, น่จริงไม่ควมำวัดรับสติรับปังญาคนนี้ มีปัญญาโมกิเศรษฐีเขาเรียกว่ารับแล้วรับรรก้ะาาตือเทียเลวองศักหน้าเจวเจวทยัดตายนั่งทีเตียนตนในตนเองใจบาตีเตียนใจเทีผีต่อได้มาตีเตียนใจว่าประพฤติท้าความสุกขเว้นจากทุกข์ผีต่อได้มาผ้าปฏิบัติเพราเป็นัวัน้าเขาล่ะองศ คุยเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นจ่ายว่าเป็นทุกข์เห็นหนาวเห็นถอดว่าเป็นทุกข์แตมันพยานคิดตลาดตัวผู้เห็นคนตายที่เห็นยังไงพยานเมื่อวานคนบางคนจักเดียงสากับงคนจักแล้วมันคนจักที่หนุ่ยนี่ยังหูจักกินนกก็ป่วยซะมันทุกข์มันพ้อใส่พ้อซอนอยู่ในใจโลกธาตนี่พรสดีล้นหาเห็นยัง มันมอควาใส่พวอสอยเพเป็นที่ชู่ใจที่ควอติดินล่นในด่านชิดใจก็ดีในด้านอาหมิดก็ดีในอด้านอาหมิดดินล่นหาด้วยนะพักน้ำแพ็งของเจ้าของมันก็ยังไข่เสียบไปอเรียนบัตเรียนเบอร์เรียนโบเป็ยนเบี้ยเนาะไฟตีซิ่งวิ่งเล่าวิ่งไถ่เนาะมันบม่ไปขอบเขตนะสำหรับมูเฮ้ามันกับบมี่อกาูบมีเขาก็มี่มึงกับผู้ใหญ่คองไฟคล้องมันเอามาบอกชื่อ ว่าแน่ผมมันกับมมีปัญญาว่าเป็นเหตุใส่พี่จะน่ะหาเหตุผลเป็นกีคาจะฟ้องมาหลายสาตหลายพบละ่ะกีคาควมหลงกีขาควงขอาจพิษกีขาคว ม, มุดทะลุกีขาควมมบมาแยบคายสิแก่สิ ก, กู้ซาดขึ้นายถึงพระอริยศาสตร์คือพระรหัส ต, ตมตรรหัส ต, ตะผลผล ยังทีเป็นที่อุ่นใจพ่อหมอฉันอนุญาตพู้ได้วาท่องเที่ยวนัน่นในวัดตาทองศาลบนยญาตผููได้วาท่องเที่ยวลืน่นสีน ย, ยันลื่นไายยังใครมากค่ีมิจะเกิดแก่เก็บไตมแต่กินกนจะขีแต่นั่งจะนอนจะรับแต่ตื่นยังสิหนาวเป็นธรรมดาซื่อวะไมันเป็นธรรมดาทุกตัวรถของรถของความหนาวมันยังว่ามันถุกรถของความหดมันยังว่มันทุกบรถของความหิวความอยากมันยังว่มันถุก ลดของควอมดีใจเสียใจของควอมเสียใจมียกพัดภาคมิยังว่ามันทุกข์บอกลดนั่งนาน่นมันเป็นทุกข์ปวดแข้งปวดขาเนี่ยมันนาาั่งธรรมดาเฉยบอกเดินหลายก็เป็นทุกข์ผู้ใดเป็นผู้คงจับภยญาคิดตลาดทั้งนั้นตัวข้าเนี่ยจะเป็นผู้คงจับแต่ที่ภยญาทั้งนั้นตัวเพ น, นฝ่าเพนดินเพนไฟเพนล่มทั้งนอกของหนูม้าคงจับผู้ที่เคสทีราบก็เป็นผู้นี่ตัวสิเคสที่ลาบผู้มาท่องเที่ยวในวัดจาวทองสานก็เป็นผู้นี่ตัวภยญามันมาก อสมพยายามคิดตลาดในตัวมาทางบารมีนี้สงสารเลยเดี๋ยวนว่ามันสร้างบาลมีเพื่อชีวิตอยู่นในตลางเลยเดียเทวโลกกับเป็นคุกหน่วยหนึ่งพวกมาโลกกับเป็นคุกหน่วยหนึ่งสัตว์ที่ไชั้นกับเป็นคุกหน่วยหนึ่งมนุษย์โลกกับเป็นคุกหน่วยหนึ่งนารกกับเป็นคุกหน่วยหนึ่ง เปตวิสายอสุรกายกขเป็นคุกหน่อยหนึ่งมิตรคุกทั้งนั้นแหะคุกโมนีมันไฟสางขึ้นซัดช่างรลายสางขึ้นผลของกรรมของสัดท่างห้ายบรรดานถห้เป็นไปใจยมพิบาลก็บม่ได้สั่งเทวุธเทวดาก็บบาไ่ได้สั่งสทวันเขาผายความมั่นพราเนี่ยพลาดนภูติเจ้าเขาไม่ได้สั่งเาเป็นยุ่งสันเป็นตะเพียงวะรูตะื่อนอะไรสิทานบอกพูด พันนี่พานว่า ม, มียุกรณ์พระพุทธเจ้าทีสี่บอกได้บอ ก, บอกสัน่นพ่นนี่พานมีอุปกรณ์นรกมียุกรณ์สวรรค์มีอุปกรณ์พระพุทธเจ้าทีงสี่บอกได้และเติบบายเขาและเติมคำมี้ยยังายโฟลอ น, นเขาไฟไหมจะจวดเนี่ยโลกนี่มันบ่แมนห้องไทยมันเป็นของกลางมัด บาบก็เป็นคองกลางบุญก็เป็นคองกลางบางคนนี่ฟานก็เป็นคองกลางเกลือก็เป็นคองกลางคอยจิ้มเกลือแล้วมะขอเอาว้มเข็มน้ำเกลี่ยแน่เลยว่าบอกบ่แล้วคอยกินมน้พริกแล้วมาขอเอาข้มเข้มน้ำเกลี่ยแน่ขอบริบบทยาค่อยเกิดแล้วมาขอเอาข้มแก่ว้มเกลี่ย้มจายน้ำเกลี่ยขอบริบบทยาวคอยทาบุญแล้วมาขอเอาบุน้ำเกลแน่ขอบริบบทา ไฟมืดตาแล้วมักเพาะเอาข้อมเห็นหุสงน้ำเจาแนี่ก็บด้ว่าไฟรักตาแล้วมักเพเอาอมือ น, น้ำเจาแน่ก็บด้ว่าเห็น จ, นจรสารจึงว่าพระธ ท, ทั้งหลา ย, ขขายเป็นของกลางเยี่ยทั้งดีทั้งตัวเป็นของทิพยอยู่ทั้งนั้นลกทิพก็ท่ทิพอันเดียวคับมืดตาคือเหหงส์เป็นของทิอันนึง มืนมืดนมือนี่มือนอื่นยังผีเห็นหงมืนตาได้โดนนะคือนั่นเอาพวนเม็นหงมาหายแถบผันม่เด้ว่าเด้รตาเตลโดนนะแยังนั่นเอาพวกมืดมาห้แถบกับมิเดียว่าได้ยังว่าเป็นของทิบยทังทันส์ถึทงรองอะเนี่ยนี้ผ่านท่นหนึ่ ง, ง, งว <c oughs> นนิญญา ร, บบญญา ร, บรับัญญัดิเราของทิพยะบันญัตเราของทิพกับเป็นทิพยมันว่เกิดว่ดับโมมันสังขาทรทิพวิสังขาทรทิพอ์ เดี๋ยวว่าทำอั น, าานเมื่อไหร่ที่ทางเช็ดเหล้าขาบับยาไม่เท่าไรที่อ่อ น, นย่อมเจ้าของเจ้าอาสมาลงอีกเนอ้อว่าแสนว่าให้เจ้าของบําบนว่าให้ผู้อื่น สือลบคบกัดกับควมหลงจับของว่าเป็นสิปฏสั้นขันแขงกับผู้อื่นผู้อื่นก็เรื่องของไฟของมันจางคน้นจ้างสือลบคบกัดกับควมหลงโปชงจับของหรือเปล่เออระวังว่าเสียเอา้าจั่งร่างวันกับผู้ใดพระพุทธศาสนาบานพรุทธศาสนาสีมาเหตุดับจั่งร่างวันให้คนจัง่ง คนจากคนเหลี่ยมส่ยังทีนับซือพระพุทธศาสนามันกับโมเมนตาศาสนาอื่นเขาจ้างจ้างเมื่อคนโมถึงถ้ำเอาหอยเท่าไรมันกับพ่อเมื่อพ่อมันโมมีเนี้ยมันได้เงินนัามันกิเลื่อมใสในศาสนาอื่นเนมันได้นียมันบมได้เงินนัามันก็ถอนทานะเพราะมันมเห็นในคิดมันนี่ผมเห็นศิลเห็นถ้ำแล้วเมอกี้มีเงินจักรต่างเขาพ่ออยู่ เอื้อเขาตายกับพ่อวานาตายไอ้ผลมีงพาลงก็นอนพ่วน า, าตายไอ้ผลตายเป็นเรียกว่าพ่วน า, าตายอันนี้ชีวิตเป็นก็เรียกว่ามีชีวิตปฏิบัติชิ้นถ้ำเดี๋ยวมีชีวิตเป็นมีชีวิตอยู่ปฏิบัติชิน้ น, น, นร้มจะมีาใครยัง เป็นมดแดงต่บอบบกม่วงเป็นกบเปลาดอกบัวจะคล้องเข้ามาเอาไปกินอย่านึงกบเปลาดอกบัวกัแมงปูแมงเพิงมันบินมาแซวเาอามันเอาไปกินจ้าตัวเฮ็ดมดปลุกส่ออยู่ส่องสัตว์สอพบอยู่เลยคือแมงปูแมงเพลิงอุ ป, ปมาพุชิมีปัญญาสูงหลีดถ้ำหลีดเพชร นี่ปฏิบัติจะคองบริพัตวันประกันพุง่งม่าจะตื่นขึ้นหรอว่าขอตืมอีกลุ ก, กับแก่ไหวพระพาวหน้ารดตามข่วมพุทโตษโมทั้งโคและพ่านาตอรถคนตื่นแล้วคนเมืยกิ้งแล้วก็มาทานนกเขาหนกท่าแล้วก็มาทานหมูเนาะพอแล้วเอาอีกเชก้ว ก, ก็นะที่ว่าท่านพอยมนอนเพราะผว่าใช่ห บักจังก็บอกคอยยังคอยถอกวะเห็นงานเท่ากันแหละครับแล้บอกจังก็บอกคอยคอยในจังเขาเรียกว่าไงยังคอยทกอกตัวหัาไปทีเด้อว่ า, าเหมือนเมื่อแต่สลล์บุค า, าดับตัหวหัวอันหน้าคู่หน้าย้งหงานอากูลงานภพ่ในว่าอากูล S <S พระโซดาบันเาบ่ามืองานอากูนเรียกไปเป็นจอมจอนพระชัฏท่าข้ามี่เขาบอกว่ามืองานอากูนเรียกไปเป็นจอมจอนพระอาณาข้ามี่เขบอกว่เมืองานอากูลเรยกไปเป็นจอมจอนพระหัสงานเล้่วเบดไม่ ม, มีปัญหาเลยงานกิเลสตัณหามานะคิทีอันนั้นเนรียไปเบิดายที่ออกเบด หากออกมืดแนี่ของเบื่อของเมาเบื่อสงสัยว่าที่มีอยู่ใ น, ใ น, นถ่องในคันทะสันดานกินยาทายทายออกมืดเนี่ยยังจะทําลนล้วนเห็นตามเป็นจริงหลนล้วนปฏิบัติตามเป็นจริงหลนล้วนลดทอนไปตามเป็นจริงหลนล้วนเรื่อยบดีดห่อนคอนขาหายที่สังข์ให้ ว่าเข้ามาหลงๆเลนเล็กว่าสงสัยอย้างนี้จะเพิ่มเอื่นกับหกักสีออกมุปะมะว่าอยากกินล้า ก, กินไปโป๊ะบอ่อะไรก็แค่ยืน่นซื้อกับหากแหลพะพ็จะหักไปนจ๊หอดีสันวันณนะหอดินหอดีเมันหอดที่สั่งของมันหอดลักษณะของมันแทบเดียวเท่านั้น ฉันเลยก็ดีเขามาซาติ่าพบแบบพระปานลุ้นท่านเพิ่งเนี่ยไงยม่าชาตินาทีท่านนี่เป็นอภิรวรอีทบไม้ของเราบามีอีกล่ะซาดไม้ของเราบามีเนี่เป็นชาิทุกทายแลวสันซาลีเจ้าคนว่าเป็นปิญญาในจิตของคนคนหลูเพราะเหตุใด พอก่อยพ่อแสแนมพ่อมันจืดจางหมดก่อยแสแนมพ่อคือท่านชินพ่อานามันพ่อการปิเจรณาเขาพ่อเหยียบเรียบควบหลงเจ้าของเหยียบได้วพานไหนแหละบพราขบรถขึ้นพวกโรคทีต้องขบรถขึ้นพวกโรคกุฒิระวอกขบรขึ้น แต่ถึงพระโสดาบั น, น, นมหนขึ้นมเปตุส้นนักตะมลุศนามหาพระกสะ่า้ามีอานหน้า้ามีาหันเป็นลำดับน่ได้พระอานาข้ามมีนะโมหอนสิลุตกตัมมามายั่งมืโสดาบันนักเตะได้พระอรหันนี่่มันยล้างมายั่งมือได้พระอนาค้ามีีนักเตะเป็นเพจโซโลมาเ น, นรัสสารรักภพเหล่ามห เป็นเพดเสาห้างกระดูกมากนี่เป็นเพดเสาทว่านหนักทว่านเบามากนี่เพดลงผมเพดลงขนเพดลงเหล็บลงฟันมาเป็นของงามของสวยคุต<ม>ิเจ้าพระติกล่พติกู ล, ปกลปนปานใดกัะ บอกฟังบอกดื้อบอกมึนปล่อยให้ตามตามของซักองเงี้ยผู้ตาเห็นห้องแย่า้คนเขีนหน่อยบาทเดียวผู้มีกำลังแรงยาว่าโกยโกยโกยมาแล้วขึ้นดอนนี่พื้นนักแท้ผู้มีกำลังคอยโศว์อยู่ขุดขุดสุดขูดขุดุ อมันจิตใจเขาไปหาเนี่ยสายไฟบางโน่หันน่นนั่นไว้วนั่นกนาดเท่หนเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นบอกได้ปะอยวๆๆให้มันออกซะออกไปซะีสเปจะมากาเสีซีได้จากพิทียไปมึงจะทุะเทหิมุะเทหิเม่เมตังเมตัง ภูมิประเทศหิมะมามั่งอป่าตะโกหิมะมั่งหงสีจีปาตะโกมั่งเกตุ๊ะป่าท้งสีมามังากกมาม่งหิมะภูมิป่าท้อซัดเสือบสัดข้านสัดไวในน้ำดำในดินบินในอากาศมากเท่าที่เท่าสองเท่าสัดเสือบซัดข้านศึ่งนี้ไปอปประมาณนอพุทธท้อทมอสังโคมีประมาณประมาณแห้งกี่เแคบเหมือนมีประมาณอยู่ไปแล้วบอก ออกไปมึงมันหนาวหนาวและมันมาออกมาจากหู้นะมูนี่นะมูอึดจะไหมมันสีอยู่เยอะนักกับ้องไฟ้องมันห้อสร้างมั่นห้อไปขามันทีขาทีนี่ห้อมึงตายเขบวช่มันวนคืนกัน่ะหอสร้างพได้ไปขามึงดูขาที่นี่หอดมือขอามึงห้อตายเขาบวชสมมาน้ำม้าในขาพ่อสองครบเนี่ยหนึ่งคนเขาฝนหัวมาขาตผลเขากับมันแห้ง ตัห็นไปเที่ยวหาขาหินมึงู้าที่นี่หอนหมือตายก็บวบห่อนสายกมันท้งยุ่งไปเที่ยวหาขายุ่งมึงร้าทนี่ไปห่อนมือตายก็บวบเป็นสุดมากจริงเขาเลยไปเที่ยวหาขามึงรู้บวบมาไหวใจในชีวิตมาไหวใจในมือในเว้นมันเปนมือเป็นเว้นของผู้ใดมันมือจม่มันมือฟู่ ว่ามันมือดีว่มันมือซัวเอกก็ไติมที่ะ่ะมีเตมือกับสว่างขนาดคุ้มดีคุ้มซัวคืนยี้กับใจของแต่ละไล่พวกค้นที่สางึ้นคนดีกับว่ามันที่เป็นปอบแลนมาเขาคิดเขาใจคนค้นสางคืนซะก่อนคนุ้มซัวกับว่ามันที่เป็นปอบคนดีคว้มดีกับว่ามันเป็นทิเทวดาสีเอามาใหา้มันจะของสร้างขึ้น ขืออว่ามันเทวดาพายนอกสิเอามาให้พญาม่านยุ่พายในนี่หละเอาให้ค้ดีก็มันเทวดายุ่ายไนาคิดมันเห็ดดีก็เดียวเาเทวดางาคิดมันไ่มีกิเดเรียวเาคิดไ่มีกิดเดี๋ยเดี๋ยวาพระอรหันคิดยากาดยากแจงเดเรียวเาหม่านเดี๋ยกว่าโจรหม่านมันเป็โจรขึอน่นี่มันเป็นหม่านคนนี่มาโล้ปาพ่มา คนโมมีธานคนบมมีศีลคนโมมีพ่อหน้าคนบมเหลียงสายในพระธรรมประสงค์คือเรียกว่าบาลามียังตำจ่อยอยู่กรรมยังหนาอยู่มันมีเครื่องตดสอบอยู่ในตัวผวงผลทุกใมวัดตาสงสารเห็นไฟในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่เขาเรียกว่าบาลามีเขาแก่กล้ามาแล้วเข า, า, าสั่มาหลายฝาสารหลายภพแล้วเขาสินนางสิลนอยในบาลามีแก่กล้ามันกลับมาแก่กล้าอีกแหละเขาก็ต้องสงั่ง ทีมให้บาลเดียวโอ้ยบาลามีตัวยังอ่อนอยู่ของฉันกับพ่เป็นเท้าที่เห็ดแถมมันแข็งกับบาลามีลายคืนกับมันเท้าที่เห็ดบุญมาศีนนอนแอบกินนี้น้ำจะบาลามีอ่อนผู้นั้นกับบุมาศีนนอนแอบกินนี้แต่ว่าบาลามีตัวแก่กล้าแล้วก็ต้องพระวนาเขาต้องปฏิบัติแถมมันรุ่มันพ้นไปถึงที่สุดทุกโดยชอบคน สิสำคัญว่าบารมีโตแก่ก้าวกสีน้อนจะจะเพียงนั่นก็ไม่ได้อีกละอะไรเพราะยังว่าหันจินว่าหันพ่อใส่พ่อซอยว่าหันพ่ออยู่พ่อกินพ่อใส่พ่อซอยของโมเมนต์เฮาสิมาอวดดิ้งอวดไล่แครงดีแครงสัวกันอยู่ในโลกท้งสารอันนี้ ของปฏิบัติเพื่อสิรุตสิผล น, นี้จากเว้นจากไข่ในวัาสงสารอันนี้เพื่อเข่าสู้พราะนี่คว้านบนบกเกลี้ยเก็บตายผลผู้คนไปแล้วมากก็ไม่ห็นไม่ไท่ายในท่องมหาสมุทรซีมหาสมุทรผลขันเป็นของเหลอวิสัยคนจะไปได้บอกถ้าตู้เป็นของเหลอวิสัยแล้วท่านเกิดไข่ก็ว่ า, าเขาไปตู้เขพูดไเจ้า พวกคนที่เจ้านีงโง่ฟ้องมัเลือยไปไซก์มาสร้างมาสอนคนไหวพระปานให้เอาประตูคนนึงมาแล้วดอกบวัวที่สุ่มสิบบาทนู่ก็มีอืดรกบวัวขอเดียวกันก็ได้ซุ่มเป็นตูมยี่ก็มีซุ่มที่บ้านมืออื่นก็นมีซุ่มที่เป็นตูมนเนี่ยมือจะ ต, ต่อไปก็มีสุ้มที่พ่นน้ำนเนี่ยมือจะ ต, ต่อไปก็มีซุ่ ม, มใใยี่ไต้หน้ากันก็ ตามบุญตามกรรมร้อยนามกปวกกไปดลกบวกกวาเดียวการละคือคนอยู่ในโลกอยู่ในโลกอันเดียวการละ <c oughs> เดี๋ยวบอามานว่ามีผู้สูงผู้ตำ่ำบ <c oughs> ุญแม่เราหนี่เร า, าบ่บ่หลายใครทำใครได้เห็นเราอ่ะ เราอักษรเนี่ยเหาใครทาใครได้เือได้ถํามากรไดบาเพือได้ถําบุญกระไดบุญเรียกวา่วาใครทาใครได้ไม่บอกเ่าะแล้วคนได้บอกเหาะเฮ็ดหลายก็บอกเรานเนี่ยนี่ผลมีของพ่อเฮ็ดสิวา เมื่อเล้วเศรษฐีขีทีไปเหตุคนน้เบื้องยู่สั่นบนมันก็นยังมีในข่าวกเจ้าอ <c oughs> ย่างเขาขอขิงมองสันง่นว่าอย่างเป็นเศรษฐีก็สัน่นเพราะผลของกรรมเก่านํมาม้าหายกินของเกาา่าว่าให้มักพุโทโธให้เอาพูทโทถ้ามาร่มหายใจใเขาออกให้เอาลม่มหายใจเขาออก ให้มักพี่แกน้าควบใจให้เอาพี่แกน้าพควบใจให้มักพี่แกนาดินน้ำไฟลมให้เอาดินเอาน้ำเอาไฟอลมมาพี่แกนาพ่อเห่าลงดินลงน้ำลงไฟลงล่มดินน้ำไฟล่มบาเลยมาลงเห่าดอกเนื้อสอดผมขนเนื้อฟันนังเหนื่อยเองกระดูกการพี่แกน้าในสกุลร่ากายนี่เพราะสกุลร่ากายมาเลยมาลงเห่าดอกเห่าไปลงมันลงว่าเสวยว่าง้ามเขาไม่เห่าไปลงมันมันคิดเป็นใจไปลงมัน มันโมได้วามันสวยมันงามพิ่แสงดนกมันบมได้วามันหมนมันเทีย่ยงนี่อย่างเนกคผมพอใจพิชผมก็ยัคิดตลาดต่างหากเหว่าผมมาสังเกจิตถ่ายยจับย่ผมผุดไหว่าจะเปล่าก็ซื้อจิตก็จับยุผุดแล้วขนมาสังเกตจิตก็จับย่ขนผุดขนทว่านนะขนทว่านเบาข น, น, นหู้ดังนขงงนสีแร่ มันเป็นลักษณะอย่างไรมันอยู่อย่างไรมันมีกินมีสีอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรคำว่าแรียบก็สักจิตก็จับอยู่เรีบผุดดิอืมมันมีลักษณะอย่างไรเรีบเร็บตีนเรียบมือมีลักษณะคือจังเจี๊ปลาเนี่ยขาวๆเสีกออกมาดึงออกมาลักษณะมันจะเป็นอย่างไรกินมันจะเป็นอย่างไรสีมันจะเป็นอย่างไรฟันเหมือนคำว่าฟันก็จิตจับอยูนน่ฟันผุด มันมี u s ซี C ป่ะคุณรนไปแล้วกับพ่อคุณพ่อท่านออกกับบพ่อแต่ว่าล่างดีเตอร์ปละาฟันเปไปสีมาม่อะมาดวงผันมันอยู่นังมันหูมีด้วยทั่วกายเรอาตาเสืออยู่ดวงมาเมาละบะมันมันมีนี่ มันนี่ในปัจจุบันวัดบงเอื้อนมันจังม่ีหนังผมผลเนี่ยฟนังเเอกระดูกอบาอื้นมันังม่มีอนกรมียู่ในปัจจุบันเมื่อแงมนกรมียง้มันเห็นยังมนันแต่คันหลงก็หลงยงยงมนั้นคันบ่หลงกบ่หลงยงมนั้นคันพี่ยังนากับพี่ยังหนยง้มนั้นแน่หลสั่งน้มเกาหูมีสัวกายหมตัวไว้คันบ่มีน้หูมเลือดมันก็ไออกตัวสิตัวเด็ด เนื้อทัดหนังเข้าไปเป็นสิ้นๆข้อกระดูกไหยคือดังดินท่าฝาเอ็นจิดกระจับยุเอ็นผุนคือตอกมัดฟืน้นคือตะปูตีมัดเทอนมัดซ้านไงคือตอกมัดฟืน้นคือเชื่อมัดฟืน้นกระดูก ลักษณะของกระดูกมันเป็นยังไงกระดูกแข้งมันเป็นยังไงกระดูกขาเป็นยังไงกระดูกข้อเป็นยังไงกระดูกหน้าอกมันเป็นยังไงกระดูกสันหลังมันเป็นยังไงมันมีลักษณะยังไงมันสวยเอรีบอกมันง่ามเอรีบอกขันสวยขัิใหญ่ขันแน่นว่าสวยขันง่ามขันใหญคะันแนนว่าง่ามขันมันบ่ง่ามสิบหกหายหาขอพี่จ้านาตะกั่วและเสื้อผ้าตัดลิตสินผดบอกของฉันได้ไหมอืม ว่อยากเป็นเส้นนาขีตาไอ้นีสิทธิ์ที่จะหน้าได้ไหบ่อยแล้วเห็นละมาโคดเอาคาเปิดตามักกิมกักบุเปิดตมักไงมีสิทธิ์ี่จะหน้าได้ไหมอบอกเขาสั่งเนี้ยอันนี้กราก่วยยังสั่อูดลดเอารูดเกียมตัวเพิโมเลยประเดียวมาจะเห็นเขาเกี่ยมมาโคด ว่ามันเป็นปฏิคูณนี่สิเป็นปฏิกอดพูดเลยไหมฮะไม่นบอกอ <c oughs> เออนั่นห้างกระดูกโค้มกันยืนกูเห็นบอกมาโดยตลาดประตูบอกที่ดินก็ขี้ดินโค้มกันยืนเห็นเป็นขี้ดินทั้งสองฝ่ายเหรอวความนัดใช่กกนนไหมใไสอช่ห้จาจจกล้มกับไปด่มใช่ไหมขี้ดินนมอนกอกรอดท้นพุดนเลยบอก นั่นว่าไหได้าจะของได้ลรบอกจะของไดสยากรต้องเอาหยาใส่มันยังไงที่ฝนล อ, อยล อ, อยอยบนสุนจะเือนเนบ่ไรี่จะปะลาปกาบปลาเข้ยึดซุกว่านได้เระบะาบอกจะของซุปว่านบังันทีฮะเนี่ยบ้านบันเต้ไงฮงจับขันชัวตีอีกเป็นเลขคนตากัฟาดเขาปาขข้าพุ้น เอายามยาสุแท็บว่าได้นิ่ใสหมูห่อมันสอบยามเดิว่ามันเขาฮัดสร้างหัดมาบอตัวแดกมันให้เขาก็ปลูกว่าให้กินยากินน้ามันจะฮัดได้ง่ายเฮ้าเฮ้าเฮ้าเขาปอกกันว่าเขาของหอกเขาเดยใส่สร้างสองขวันตัวหนึ่งหอกสองเลยมหมดเขาเดยใส่อะไรนีแต่อ่อยอยู่ เปดึกหน่อยอยู่อ่อยมันต้องแห้งกับอะไรเอายำยาเส่มันไปนั่งขี่สิเปรี่ยงมึงนั่นะอันมึงกินว่าแทบแทบม้วนนี่เดี๋ยวเอามาัดสียบยัเสบมึงอีกว่าสั่งหน้ามัเป็นเนมันย่อมว่ามันม้อนฝดที่คูนั่ั่นเห้มันจกุงขี่มันดเบิงแล้วมันติดเสียงเจ้าอยู่ เมึงขี่โดมงรู้ว่าันเลี่ยอะมงรู้ว่าันเลี่ยมันก็เชื่อพระเจ้าว่ะสันเลี่ยนั่นฉันม่อยากเทศประนันที้มันจะากหวงไว้ยุบพวกไว้ยุ่พวกไว้ทนายมันก้ขวรตรวจตรวจสุดๆหรอไงเามันมีไฟอยู่ทีว่าจริงนะสินั่นที่เ้าน้ามึงอันมุนี่ที่เจะาน้าอ่นมนี่แหลกล้านนะครับไห้มึงมาแรกพระฮาเนี่ยมันบมาเลยอ่ะหามันมันกับบ้าเลยอ หมายื้อกับว่าเอาลวบ่เห็นอันหนึ่งปฏิกูลอันหนึ่งกัปฏิกูลมดน้ากันอันนั้นสกรกใร่างกายฉันลงว่าอันนึงสวยลงว่าอันอื่นสวยสืกันบนน่ัอรอยร่ายังม่เห็นครับละ่ะแต่ม่เห็นสกปรกใร่างกายครับ กลอกหัวผีมาแขนข้ อ, อยางเดินโยกมุมหุดนบ้านนี่เอา ม, ามันมันมักหนากว่ า, าๆๆต้องเอามันในหนาต้งฉันก็นกดูแข้งก็ดูขามันแขนข้อคือง้อคือควายเนี่ยเดินโยกมุมข้อเอามาแบกเอามานอน้างเอิบไปสารพัดเหตุมันมันจะพังสิได้ที่ว่าฝนลอยลอยอยู่บ่ซุกจะเชื่อมันกับบ่ได้ ต้องุบฟ่อมฟันเบิ้องฟ่อมมันยังไงในคล้องอันนี้บอกผู้นักไปทางราคาสองซ่อมาคิดจากค้องยึดเท่านี้มันเหลือดถอนในก่อนนอว่าสั่นเดือดถ อ, อ, อนน้าคว่ำหักหัวหักงามหักสกุลในร่างกา ย, นกายกเนี่ยบ่ร้ายก็แนวอื่นหรือมันโกรธง่ายก่อนอันนี้มันมากก่อนสังเจียจากค้องให้มันถึก มันเจที่ว่างยาถือยังหน่อยสือมเก็บฝักหวานเมื่อจะกล้าผ่านมาตอนหนาวลงปูเล้อะเว่นถุนผ่านมาตอหนาลงปูซู้สิซูอสิเอาวิซาหนึง่งบ่ลลกร้านนะสิบอกเขาเขานําำกดนขึ้นมาผู้บ่าวผู้สาว จะเอาจะเอาวิสามักผู้บ่าวบอให้ผู้บ่าวมักบอลูกเสียวซ่าให้ผู้สาวมักบอเอาขน้อยไ้สั่หนึ่งยี่นึงก็บว่าเอาเขา่อยากไพ้าั่น้าว่าง่ายเราลองกูสีบอกไ้าัน้าานกลอนกันไปหันเด้อชัปากันั่นทั้งผู้สาวก็บอกผู้บ่าวีต็่องผู้บ่าวีต็ม่องอ้บกรรมไปเน้อไอ้ั่นหอดทูุ่ปเละ ทังผู้บ้ากับว่าผู้สาวสีเต็องผู้สาวสีเต็มทองสูงแหงมากการหลายสนสูที่ได้กลเป็นผัวเป็นเมียนะคู้ามนายงเสียน่แ่นมากเขาหัวกับไปเลยเขาบุกเข้มาไกลพูดสีกับไก่ไปตื่งึงมากัากบ่อนกระดูก <c oughs> ยังไงยังไงยังไง เลยนิ่กองค้อนกระดูกยังไงยังไงสับไปกับว่บานอนก็นอนเสาหางกระดูกกินเศษๆมั่นๆบัดไปไทยกับไปไทยรีสอสัอมโนยามมมิธานเนี่ยั้นขีดข้าดาบใบยบออกเดแล้วเห็นคนมากอะ่ะหันเขา มันเขาูมิพลเอาดาซูไว่านเน่นนี้กุ่มเพราะ่นนี้่นนีกุ่มเพรานีไ้ว่านเนาะอ่าเนี่ยของเขาแม่แม่ม่า น, <ś Sweden> นั่นันของดีของสอารอให้ยังอวดจาเปียงมาเบนนิงเทมก็ว่าสันัวเมื่อดมน้ากันเนยช่างมันหอมก็ว่าสันตวัวนั่นมันเห็นผัวข้าเมี่ยนนน้นนนากันมวยาดอกนอนมุ้งเดียวกันเท็ดมุ้งนันนะเงี้ยมุ้งดีด กอดต้ทนทหารกอดข้อไว้ดีๆ <c oughs> มันก็ยังบ่หันเห็นนะ่ะกอดต้ดดีๆนะครับต้นทหารกอดข้อไว้ดีเงียดมุ้งนเดียวมุ้งหนาๆใ่ไหมมันดิ่ดงยุค น, น, น, นั่นแหะเจ้าเห็นว่าของปฏิกูลใช่นหนือเ่าั่างปานี่มันว่ า, วาอายเลยเอาว่าเขาลง ป, ปู ขอนอยพ่า น, นย่าเนีจะให้เล็ดเบาลงไปอีกเดี๋ยวนี้สินหาขอน้อยได้ประจาแล้วหลวงปู่เทพบ่ให้ขาดชัดจัดชีวิตเทพให้เอาสินหาขอน้อยก็เสื้อคั่วหลวงปู่แล้วว่า ม, มันหลวงปู่นี่ว่าสุดได้ว่าหลวงปู่พระเจ้าได้ว่าพระรามของเด็กฝุ่นได้ว่าหลวงปู่ก็ยังบราบไหวได้วหมนี่ยตอนนี้เรียกว่าเราเป็นหลวงปู่เราก็ยังบารับไหวได้เลเาว่าหลวงปู่พระเจา้าห็นไ เขาไปยังโอนไปอีกโดดว่าเห็นสั่งข้าจังโมมีสิิธิมานะผู้ดังข้าจะบโมฟึงเงียบฟึงเงียบว่าเดินล็อกปูคนนห้เขาก็โอนล็ปูเขาขป้นเสพพุกธเจ้าผนพัดโลดว่าไม่ได้เงอยว่าดีสั่งล็อปูไอ้ั่เงินก็บอ่เปลือกสั่งเจ๊กี้จินจับจินแบววสั่ไปลงเลียนบาสนี่นะ แต่เวียนวายว่าสิบว่ากินเขา่า okay. กินเต้าเทียงแต่ว่าสินเดสิบว่าใหญ่บริบูรณ์กระจา่างโดยเพพาะอเส้นหาบริบูรณ okay. ์นะับวานสั่งน้ำปลาหนี้มาเดียเดี๋ยวนี่พ่วงส่วนกับผัวอยู่อยู่กันคือกับพี่กับน้องมันเนี่ยเฮาะจะไปเฮ็นนั่งกันเฮาเนี่ยส อยากอายท่าพระเจ้าใช่หัวเป็นคนมีปัญญามีอะขัเป็นมีปัญญาทุกคนจะทดสอบกันเจาหองฉันจะพักินนอกบ้านแล้วใช่นลรวไปกมาอ่ะสังกตดีอยู่เนี่ยมือมือถนัดอะไร่ะ พระพุทธศ า, ส, าสนาเป็นวิชาธรรมันยอยู่ในตัวๆๆตัวมุตูตบุกจักบอกพระเจ้าพ ร, ระสงฆ์ก็ม า, บ, าบวชมดซะขันไปเอาเมียบังมัดสุขชนดูๆๆๆดิรุ่นสิพ่อหน้าให้ห น, น้าแม่เขาแม่ซี่มันมันเป็นธรรมันยอยู่ในตัวแล้วแต่พอเขา พกัมีเมี่อู้ได้ก็มีผัวมงรู้แค่นีนี่พ่อบอกนั่นพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนารรมนันต์ตัอเองเนยเส้นทุกเส้นหาเส้นแปลทุกเขาเขาวัดทั้งถ้ำเขาเขา ง, งจักวันพระวันเจา้าเพราเขาบอไปโคมือกันหรืออะไัอย่างผยังโคมกันวันพระวันเจ้า บ, าบนาาันะัสาโหดหลายพวกไม่ลูกก็ บ, บอกบฟังก็ไปคิดโกกคิดเกลีด นี่ลูกไม่ร้านเกินมากค่บอกมาฟังบอกงาคล้อน่าพอบัวของแจ๊กวันพระวันเจ้า